อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัดคือหนึ่งภหนึ่งสิกษปหนึ่งพิีไม่หลีกไปในเมื่อมีอันตรายสองพิกษณีสแสวงหาแล้วแต่ไม่ได้พิกษณีเป็นเพื่อน 3. ภมพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภพิกษณีวิกลจริตหภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่10จบคับพิณีวัตรที่7จบ